เหตุไรพระพุทธศาสนาจึงสามารถช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้คนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือรู้จักพระพุทธศาสนาแต่ในรูปของประเพณีมีแต่เพียงความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นยังไม่มีทางที่จะรู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเลยเพราะพระพุทธศาสนาตามที่คนส่วนมากเข้าใจกันนั้น ไม่ใช่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงเอาไปแก้ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้ข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าสําหรับคนที่มีวิบากมาดีนั้นถ้าหากได้มีโอกาสมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็จะศึกษาได้โดยไม่ยากและในที่สุดเขาก็จะรู้ถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาครั้นแล้วต่อไปคนเหล่านี้ก็จะเป็นตัวจักสาคัญ ในการพัฒนาบ้านเมืองเพราะสำหรับคนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั้นทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้อย่างแน่นอนคือหนึ่งพระพุทธศาสนาสามารถทำให้คนเรามีความสบายใจอยู่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหรือในเหตุการณ์ใดๆ 2. พระพุทธศาสนา